ก็เมื่อรักคืนก็ชำ้ำแต่เหตุชะนายใจยังไม่จำว่ารักทำห้ำเจ็ทุกทีปวดมันโดนยาสั่ง ใจทศกัน จำช้ำมนเจ็บรู้คนน่าใสารูปสุดงามซ้องสังคมคลั่งคลายแต่น่าเสีดาใจทดสตะกัน